วันพุ่งนี้คงจะแจกประกาศประกาศผู้เข้าอบรมให้วธิบัตดแล้วก็ให้ครูบาเตรียมหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นด้วยนะหนังสืีหลวงปู่มั่นแล้วก็นังสือของหลวงตาหยดน้าบนใบบัวหลวงตาแล้วก็ประวัติหลวงปู่มั่นด้วยแจกสองเล่มพร้อมกัน ือเอาตัต่อตัด้วยก็ได้ทำไมขอหลายอย่างนักวะเดือเอาหนังสือคือพวกคณะครูบาอาจารย์เข้ามาอบรมในคราวนี้ เราอบรมในแนวแถวสายหลวงปู่มั่นเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมได้รับฟังทางพระวิทยากรนะว่าหลวงพ่อด้วยจากนั้นพวกเราจะได้เอานําหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นไปศึกษาแล้วก็นําหนังสือประวัติของหลวงตามหาบัวไปศึกษาด้วยแล้วก็จะได้ฟังทำคําสอน จะได้แจก m อ็ด้วยที่พวกเราปฏิบัติมานั้นปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่23ตจนถึงวันที่27เนี่ยเป็นยังไงเราปฏิบัติตามแนวแถวขององหลวงปู่มั่นหลวงตาไหมพวกเราจะได้ศึกษาทบทวนแต่ถ้าว่าพวกเราทบทวนแล้ว อ, อ่านดูแล้วยังไม่สนิทใจหรือว่าเข้า ไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยที่พวกเราได้เดินออกไปนอกเส้นทางที่องค์หลวงปู่พาดำเดนินพวกเราอาจจะนดัดใส่กระดาษหรือว่าอะไรเข้ามาถามอีกก็ยังได้เพราะนั้นขอให้พวกครูบาอาจารย์ทุกๆท่านที่เข้ามาอบรมในครั้งนี้ก็อบรม เป็นหลักสูตรและเป็นเบื้องต้นเท่านั้นเองแต่เที่พเจ้าเอาจริงเอาจังต่อไปภายภาคหน้าแล้วก็มอบให้ครูบาอาจารย์แต่ละท่านเป็นผู้ดําเนินตัวเป็นผู้ปฏิบัติต่อไปท้าวว่าเป็นไปได้แต่อยากจะให้สืบเนื่องดีที่สุดถ้าเราทํำคลึงๆกลางๆตกๆลนๆก็ไม่ได้รับผลเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ ปลูกแล้วก็ทิ้งไปเลยแต่คราวนี้ก็มาตั้งอกตั้งใจปลูก3มสี่วันพอปลูกเสร็จแล้วก็ปล่อยปละละเลยไม่ได้สนใจกับต้นไม้นีนก็ไม่รู้ว่าเราฝากไว้กับดินฟ้าอากาศไม่รู้ว่าอย่าคมรวยฝนแ้งทั้งแดดทั้งฝนน้ำท่วมหรืออะไรเกิดได้ทั้งนั้นแต่ถ้าว่าเรา พยายามปกป้องพยาย า, พยายามรักษาโดยสม่ำเสมอผลที่ผลในการปฏิบัติของเราในคราวนี้ก็จะสืบเนื่องใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจเจริญ ง, งอกงามเป็นที่พอใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะครูบาอาจารย์ที่เข้ามาอบรมในครั้งนี้แล้วก็การอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะ ในหลักของพระพุทธศาสนาท่านว่าสังฆโสภาความพร้อมเพียงของหมู่คณะเกิดสุขถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันมากๆหลายกันหลายๆท่านก็ต้องมีความพร้อมเพียงสัมภคีกันนะเป็นหลักในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องจุดนี้อย่างมากทําไมเราจึงรู้ ให้เราศึกษาดูซิเอัปริหารนีจะทมทำเป็นไปเพื่อความเจริญจเรินโดยส่วนเดียวเรียกอัปปริหานี้จะทำมีจดมีอยู่เจ็ดอย่างมีอยู่เจ็ดข้อมันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมพร้อมกันประชมุมเมื่อเลิกประชุมพร้อมกันเลิกและพร้อมกันช่วยกันทำกิจที่คณะได้ตกลงกันไว้แล้วจะต้องทาอะไร ก็ต้องใส่ใจแล้วก็ไม่ลุกอำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นยินดีในความสงบท่านผู้ใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานเคารพนับถือเชื่อถือถ้อยคําของท่านไม่ลุกอำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นยินดีในความสงบตั้งใจยว่าเพื่อนฝูงที่ยังไม่มาสู่สำนักของเราก็ขอเชิญมามาดูมาพบกันถ้าเมื่อมาดูแลก็ขอ เมื่อกลับไปแล้วกขอค่อยอยู่ด้วยความผาสุกนะอันนี้สรุปแล้วก็คือมีน้ําใจต่อกันมีความอบอ้อมอารีต่อกันมีคล้ายๆกว่าดเหมือนกับพวกเราพี่ได้สองน้องได้หนึ่งลักษณะอย่างนั้นคล้ายๆช่วยเหลือเจือจานกันรักกันไว้เมตตากันไว้ดีที่สุดนะแต่ถ้าว่าพวกเรา อยู่ด้วยกันต่างคนก็ต่างมีเล่มีเหลี่ยมมีแง่มีมุมมีมชั้นมีเชิงยังมีแต่จะหักเล่หักเหลี่ยมกันพวกเราจะหาความสงบสุขไม่ได้นะแต่พวกเราต้องคิดไว้อยู่เสมอหน้าที่การงานคื อ, คอหน้าที่การงานเราต้องทำตามหน้าที่มันต้องเล่นการเป็นทีมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายปีนี้ก็ได้รับการยอมรับว่า พวกเราได้อะไรได้ความยกย่องเรียกว่าเป็นเกียรติประวัติว่าเราอยู่ในเขตสิบนคะแนนสิบในหมู่ในกลุ่มในคณะอันนี้ก็คือแชมป์ส่วนหนึ่งแต่ที่เราจะรักษาแชมป์ยากกว่าที่เราได้แชมป์ ม, มาแชมป์ตัวนี้ก็คือเมื่อเราได้ทำงานไป แเราอาจจะฟุกเป็นบางครั้งก็ได้เหมือนกับเราขึ้นไปชกมวยอย่างนั้นเราเห็นไปโพนันเพียงพ้มกํากปั้นไปใส่ ย, ยอดคางอันั้นใช้โดยบังเอิญอันนั้นก็เลยลงนอ น, อ น, นเราก็ได้ฟุกขึ้นมาแต่ทีนี้พอต่อไปถ้าจะชกกีกครั้งที่สองเนี่ยมันจะฟุกอย่างคราวนั้นอีกหรือเปล่าเนี่ยคราวนี้เราต้องได้คิดแล้วท่าน เนี่ยเรรักษาแชมป์นะรักษายากกว่าที่ได้แชมป์มาแต่ถึงยังไงก็ไม่เหลือวิสัยถ้าว่าพวกเรามีความพร้อมเพียงสมัครีกันเหมือนกับเราเล่นฟุตบอลอย่างนั้นโกมีหน้าที่อะไรแบ็กมีหน้าที่อะไรปีกหน้าปีกซ้ายขวามีหน้าที่อะไรกองหน้ามีหน้าที่อะไรถ้าว่าพวกเราแบ่งโซนกันแบ่งหน้าที่การทําผู้เล็กผู้น้อยครูน้อยครูใหญ่ กิมีหน้าที่แต่และหน้าที่ให้รู้จักหน้าที่ของตนเองต่างคนก็ต่างรับผิดชอบพอรับผิดชอบเด่นพอรับผิดชอบต่างคนต่างรับผิดชอบแล้วความชัยชนะก็จะเป็นของพวกเราไม่ต้องสงสัยแต่วา่าพวกเราเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาถ้าเราจะทําดีกว่ากลัวสํานักงานตัวหัวหน้าของเราได้หน้าไดต้ตาหเห้ก็เลย ไม่ทำงานเมื่อไม่ทำงานท่านี้มันก็เสียทั้งทีมเสียทั้งตัวเองด้วยเสียทั้งตัวเองด้วยในเมื่อเสียทั้งตัวเองเราจะทำไงเราต้องการขันเงินเดือนต้องการตำแหน่งขึ้นมาเราจะเป็นตำาหนิงใครเพราะมันเสียกันทั้งทีมแต่ถ้าว่าพวกเรายกทีมอยู่ตลอดเป็นผู้ใส่ใจด้วยกันสอนมีความตั้งใจสอนไปด้วยกัน เป็นผู้ใส่ใจในการสอนทำหน้ า, นาที่ของเราให้ดีที่สุดนะ่หลวงพ่อมั่นใจทีมของเราหรือกลุ่มของเราในเขตของเรานะต้องอยู่นานอยู่จงคงกระพันไปเรื่อยๆและก็ขอเน้นเรื่องกิริยามารยาทเนะี่ยเรื่องการเป็นอยู่หลวงพ่อว่าจะให้พวกเรา ให้มีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างในหลวงท่านบอกท่านกล่าวอย่าไปฟุ้มเฟอ้ออย่าไปทําอะไรเกินตัวหลวงพ่อนี่นะหลวงพ่อนี่เป็นพระป่าหลวงพ่อรู้จักประมาณตนนะคณะัตหาญายมลูกหลานทุกๆุ ท, กท่านถึงหลวงพ่อจะพูดให้ฟังว่าหลวงพ่อใช้ใจช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนช่วยในที่ไหนๆก็ตามแต่หลวงพ่อมองดูแล้วเป็นไปได้ แต่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อกับมาเรียกพวกคณะลูกศิษย์ญาตุสิธิ์ที่อยู่ใกล้หลวงพ่อที่เข้ามาหาหลวงพ่อที่เป็นผู้พูสนับสนุนรู้จักมักคุ้นหลวงพ่อบอกว่าเอ้ยถึงหลวงพ่อจะสร้างอะไรก็ตามนะเงินทุนขนาดไหนก็ตามนะหลวงพ่อเป็นไปได้หลวงพ่อจงคิดทำแต่ได้มาโดยทางบริสุทธิ์อีกต่างหากหลวงพ่อจะไม่เอาในสิ่งที่มันไม่ไม่บริสุทธิ์เอามาใช้ หลวงพ่อเป็นไปได้หลวงพ่อจึงคิดทำเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่ใกล้หลวงพ่อนะไม่ต้องหนักใจนะอย่าไปนหนักใจกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อเป็นไปได้หลวงพ่อมองดูแล้วเป็นไปได้หลวงพ่อจึงออกปากรับนั้นๆถ้าหลวงพ่อลับจากแต่ว่รับทำแต่สักว่าทำแล้วพอทำเข้ามาแล้วทําไม่ได้แล้วก็ทําให้เดือดร้อนจากลูกจากหลานที่อยู่ใกล้ชิด ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อจะเป็นหลวงพ่อเป็นที่เคารพของพวกลูกหลานได้อย่างไรเพราะว่าขนาดตัวเองหลวงพ่อก็ยังไม่รู้จักประมาณตนไงเพราะนั้นหลวงพ่อเองนะบอกนะลูกหลานนะตรงนะโดยตรงนะหลวงพ่อไม่ต้องลูกหลานไม่ต้องหนักใจแต่ลูกหลานจะมาช่วยเท่าไหร่เออไม่ว่ากันเพราะคนเราก็ต้องทําบุญทําทานนั่นแหะจะไปขีดตะนีทีเนียว จนไม่รู้จักทำบุญทำทานหลวงพ่อไม่เห็นด้วยแต่เมื่อเราจะทำบุญนะเรเออเอาเราทำทำที่เราทำได้อย่าให้หนักใจแต่ถ้าว่าหลวงพ่อบอกแล้วพวกเราทำเกินตัวจนหมดตัวจนเขาอย่างที่เขาว่าน่บริจาคทานจนจะฟ้องกลับคืนว่าครูบาอาจารย์เอามากเกินไปให้มากเกินไปจนหมดตัว อันนั้นทำแบบโง่พวกนั้นพวกเราอย่าทำนะอันนี้หลวงพ่อก็เคยบอกเคยกล่าวพฉะนั้นผู้ที่เป็ น, นศิทธ์ยาหนุนสิทธิ์ของหลวงพ่อก็เหมือนกันอย่างครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ที่นี่พวกหลวงพ่อเองอยากจะบินทัพบาศแล้วบอกขอร้องพวกเราอย่าทำอะไรเกินตัวไม่เป็นไรเราอยู่แบบเศรษฐกิจกพอเพียงบริหารจัดการไปต่มันขยันแล้วก็ให้ใช้ประหยัด ให้รู้จักบริหารจัดการเราจะไม่ทุกข์ใจแต่ถ้าว่าพวกเราใช้เกินตัวมีอะไรใช้เกินตัวพวกเราจะทุกข์ใจนะใจของเราจะไม่เป็นสมาธิใจของเราจะไม่เกิดปัญญาใจของเรามีแต่ความทุกข์ระทมอยู่ไม่ใช้ความท้งยังไงเหมือนข้างนอกมันจะมีความสุขแต่ว่าในใจของเราเนะี่ยมันกับเหมือนกับขี้เท่าหมกฐานไฟแดงอยู่ในนั้นนะ มันหาความสุขไม่ได้มันร้อนอยู่ในใจเพราะเหตุไรเพราะเราใช้ไม่รู้จักประมาณในกานช้และอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้จักหาวิธีการออกอีกต่างหากเราควรจะหาสิ่งไหนเข้ามาเสริมขายหน้าหน่อยก็ไม่เป็นไรอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดจะไปรืดอ่วหรือสองสิปฏิคูณก็ตามพอได้เงินมาแล้วเงินก้อนนั้นเขาไม่ใช่ว่างเงินอันนี้ ไปหรือส่วมเข้ามาแม้เขาก็ไม่เห็นถามมันก็เกิดประโยชน์อย่าไปว่างานนั้นหนักงานนี้เบางานไหนเป็นงานที่สุดจริตงานที่เป็นธรรมงานที่ไม่ไ ด, ดีเบียดเปลี่ยนตนให้ผู้อื่นงานนั่นแหละคือเป็นงานที่เป็นธรรมเราทําได้ทั้งนั้นขายสินขายของขายขนมโกโก้กาเฟ่ทาร้านชงร้านชําแล้วเข้าหุ้นกันหรือทํามาค้าขายในทางสุดจริต เราทำได้ทั้งนั้นเพราะนั้นการที่ทำได้ทั้งนั้นเนี่ยคืออาชีพที่สุดจลิตนั่นแหละจะเกิดประโยชน์พวกเราก็จะร่มเย็นเป็นถุกในการบริหารจัดการถ้าหาว่าไม่ไม่จำเป็นจริงลุงพ่อไม่ส่งเสริมละให้กู้หนี้ยืมสินพอลุงพลังเมื่อเรากู้หนี้ยืมสินไปแล้วใช่ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่ามันอยู่ในใจมันคล่องอยู่ในใจมันทกอยู่ในใจ หลวงพ่อไม่ชอบอย่างมากเลยนี่นี่สินสินหลวงพ่อจะไม่มีถ้ามีอะไรก็เอาให้มีอะไรที่จะจัดการก็จัดการให้ไปเลยจบจ บ, จบไปเลยที่เราออกของเขามาใช้หราเอาทำให้จบถ้าไม่มีอย่าไปทำหลวงพ่อบอกลูกศิษย์ลุงหารเป็นพระฝ่ายพระองเหมือนกันทางว่าพระองค์ใดก็ตามที่ออกจากวัดหลวงพ่อเลยไปเป็นนี่เป็นสินเขา เอาของเขามาใช้แล้วเป็นนี่คอยผ้าป่ามางคอยกระถิน่นที่จะเอาไปใช้หลวงพ่อว่านั่นแนหะจิตใจมันตกต่ํานะข้าไปเห็นใครมาก็มีแต่จะพูดเรียบเรียบเคียงเคียงขอเขาอย่างนี้มันไม่ถูกนะหมู่พกเพื่อนลูกหลานนะน้องนุ่งทั้งหลายนะถ้าหากว่าไม่มีอย่าใช้ถ้ามันมีมาสะกก่อนใช้ถ้าหากว่า การบอกกล่าวเออเป็นธรรมดาพอเราอย่างที่เราสร้างโรงพยาบาลหรือว่าเครื่องมือแพทย์อย่างนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นของทุกคนแล้วก็บอกกล่าวไปอย่างลวงตาที่ท่านพูดในตอนเช้าอย่างนั้น่พวกเราก็ได้ยินที่ท่านพูดบอกประกาศบอกเปล่าประกาศถ้าใครจะมาร่วมคืออ๋อมาร่วมเพราะไม่ใช่เพื่อท่านถ้าท่านไม่มีจตุปัจจัยจากศรัทธาญาติโยมลูกหลานแล้วท่านจะออกมาจากไหน ท่นออกไปจากพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อท่านเมื่อท่านได้แล้วท่านก็ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์แต่ถ้าว่าพวกเราจะให้พวกเราไปซื้อเครื่องมือตามลําพังเราก็ทําไม่ได้เพราะไม่มีกําลังแต่เราก็ไปร่วมบังคนนั้นก็ไปร่วมบังพอรวมให้ท่านเป็นประธานให้ท่านเป็นผู้รวบรวมในเมื่อท่านมีกําลังท่านรวบรวมเสร็จแล้วท่านก็เอาช่วยสงเคราะห์พวกเราได้บุญได้กุศลไปด้วยเพราะว่า ยกให้ท่านเป็นผู้ดำเนินการแต่ถ้าว่าเราไม่ถวายท่านท่านจะดำเนินการได้อย่างไรเพราะท่านไม่มีปัจจัยเหมือนกันแต่ถ้าว่าพวกเราช่วยชกันถวายท่านท่านก็มีกำลังที่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละอันนี้ก็ท่านไม่ได้เชื่อเพื่อท่านท่านเพื่อชุมชนและสังคมสรุปแล้วก็คือร่มเย็นเป็นจุขท่วนหน้ากัน อย่างเครื่องมือตาอย่างนี้ที่ท่านให้แก่โรงพยาบาลอุดรท่านให้เครื่องมือตาที่ว่าทันสมัยที่สุดในในช่วงนี้เครื่องมือนูงตามีเท่าไหร่ท่านสั่งให้เลยจะใช้เท่าไหร่กี่ล้านท่านก็ให้สําหรับเครื่องตาเพราะว่าตาเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากถ้าตาถ้าหูหนวกอย่างนี้ตายังดีอยู่หรือ ว, ว่าพิ่คงพิการตายังดีอยู่ ก็ยังช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่งถ้าว่าตาบอดเสีอย่างเดียวเท่านั้นนะจะเข้าห้องน้ำห้องส้วมจะไปที่ไหนไหนก็ต้องอาศัยผีเลี้ยงจะต้องอาศัยคู่คนเป็นผู้นำไปเพราะนั้นเรื่องตาเป็นสิ่งที่จำเป็นสาคัญต้องรักษาตาเพราะนั้นท่านจึงให้เครื่องมือตา เ, เป็นอันดับหนึ่งของโรงพยาบาลสูงอุดรเวลาเท่าแก่ เมื่ออายุมากแล้วถามว่าพ่อแม่ไปไหนไม่ได้ก็ต้องให้คนหนึ่งคอยดูพ่อแม่แต่ถ้าว่าตาของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ยังช่วยตนเองได้อยู่ก็ทําตาของท่านสว่างท่านก็ยังเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้อีกดูแลลูกหลานได้อีกไม่เป็นภาระของลูกของหลานที่จะไปทามาค้าขายทำมาหาอยู่หากินประจำวัน เนี่ยถ้าตาดีเนี่ยลงตาทันคิดมีเหตุผลของท่านนะนี่แหละอันนี้ก็คือเมื่อท่านใดมาแล้วครับเนี่ยช่วยสงเคราะห์ให้สงเคราะห์ให้ใครเนี่ยทุกวันในพวกเราที่ไปโรงพยาบาลสูนุรดอนเนี่ยเครื่องมือตาลงของลงตาของเราเนี่ยแหละที่ตรวจตาดูทุกวันนี้่เพื่อใครเพื่อเราท่านทั้งหลายเหมือนกันนี่แหละ อันนี้ก็คือการสงเคราะห์อนุเคราะห์โลกของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาแต่ถึงยังไงพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์อยู่ในสถานะไหนในการแนะนําสั่งสอนลูกศิษย์นักเรียนของพวกเราจะทํำยังไงโรงเรียนของเราจริงจะก้าวหน้าในทีมของเราเนี่ยสี่จัเภอเนี่ยแต่ตลวงหลวงพ่อรู้ๆเลย ท่านผ อ, อของเราเนี่เป็นผู้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงๆที่หลวงพ่อดูตั้งแต่ท่านมาอยู่รับกานในจุดนี้แต่พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นผ อ, อ, อทั้งหลายที่เป็นลูกน้องบริวารหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในกราะสรุปแล้วคือให้เป็นคนดีผ อ, อที่ดี มีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมอยู่ด้วยกันในสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็รู้แล้วพวกเราได้ศึกได้รับการศึกษามาในระดับนี้ขนาดเป็นพออขนาดนี้จะไม่รู้จักดีไม่รู้จักช่วมเป็นได้เหรือมันต้องเป็นต้องรู้ว่าอันไหนควรไม่ควรอย่างไรแล้วช่วยๆกันพัฒนาปรับปรุงในกลุ่มของเราเนะี่ยอย่าให้มีปัญหา ถ้าพวกเราทำอยู่ด้วยกันมีอะไรก็ปรึกษาปรรบกันทุกยากลำบากก็เออเอาปรึกษาปรรบกันช่วยกันหาทางออกช่วยๆกันให้หลวงพ่อว่าความผาสุขก็จะเกิดในกลุ่มของพวกเรานะเน่ใคราว่ากลุ่มของพวกเราจะแน่นหนามั่นคงขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าว่าพวกเราเใครก็ชิงดีชิงเด่นกันเออ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ตรงช่วงที่จ ะ, ะหาผลงานเนี่ยตัวเองไม่ทำงานก็อยากจะได้ผลงานอยากจะให้หัวหน้าเอางานให้ถ้าไม่ได้ก็ใครๆว่ามันมีชิ้นเดียวหรือสองสามชิ้นที่จะต้องได้รับเนี่ยหัวหน้าก็ต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะให้ใครแต่ท ง, งไงก็ขอให้ความให้เป็นธรรมนะ ใครคนทํางานกับคนนั้นได้แต่คนนั้นได้ก็จริงคนขยันทํางานแต่ได้เลี้ยงปีต่อปีก็ชักจะเกินไปก็ควรจะเฉลี่ยให้คนอื่นได้บ้างถ้าว่าตัวเองทํางานคนเดียวคงจะไม่ไหวเหมือนกันคงไม่ได้เหมือนกันก็ต้องอาศัยทีมอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งกันเฉลี่ยกันต้องมีน้ําใจนะสรุปแล้วต้องเฉลี่ยกันถ้าว่าพวกเรารู้จักน้ําใจ ทีมของเราจะเหลือเผื่อแผ่กันรู้จักควรไหนได้คนไหนควรจะได้คนไหนไม่ควรได้อของสองขัน3ขันอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าหาว่าพวกเรามีน้ําใจต่อกันมองกันในแง่เหตุแง่ผลพวกเราก็จะปล่มเย็นผาสุขอันนี้ก็คือวิธีวิถีการดํารงชีพปิสาจการทํางาน เ, าเป็นแนวความคิดของพระป่าอย่างหลวงพ่อเนี่ยนะ หลวงพ่อเป็นแนวความคิดของหลวงพ่อนะหลวงพออ่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็พร้อมการเรื่องศีลธรรมก็จะให้ขาดตกบกพร่องให้มุ่งมั่นไปอยู่เสมอถ้าว่าคนเรานี่นะถ้าคิดไปอยู่เสมออย่างที่ว่านี่ตอๆๆนะถ้าคิดถึงความตายไปอยู่เสมอเราจะทำอะไรเราจะคิดอะไรออกนอกลูก่นอกทาง มันก็คิดแต่ยากเหมือนกันนะให้คล้ายว่าเราคิดถึงมรณะภัยไว้อยู่เสมอเนี่ยเราไม่ใช่ท้อแท้อ่อนแอนนะอย่าไปคิดว่ามันจะท้อแท้อ่อนแอนเพราะว่าชีวิตของเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนใจจริงแน่นอนแต่เราก่อนที่จะถึงจุดนั้นนะ่ะเราควรจะทำคุณงามความดีอะไรไว้บ้างไม่ใช่ว่าตัวเอง จะตายอยู่แล้วจะทำแต่ความชั่วช้าเสียหายก็ไม่น่าจะถูกจะฝากชี้ว่าประวัติของตัวเองไว้ในโลกมีแต่ความชั่วช้าเสียหายอย่างนั้นเหรอก็ไม่น่าถูกพวกเราควรจะฝากฝีมือฝากคุณงามความดีไว้ในโลกหรือว่าไว้ในชุมชนของเราจึงจะถูกเพราะนั้นคุณงามความดีนะันคืออะไรคือ การทำความดีมีหน้าที่อะไร <Okay. S 1> พอออมีหน้าที่อะไรครูบาอาจารย์แต่ละท่านมีหน้าที่อะไรหลวงพ่อว่านี่นะครูบาอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อได้ย้าอยู่เสมอวันนี้คือแม่แบบแม่บทจริงๆเป็นผู้มีประโยชน์จริงๆต่อชุมชนและสังคมแต่หลวงพ่อที่ได้รับพวกคณะครูบาอาจารย์ในคราวนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อไม่ได้ว่าอยาจะได้หนาได้ตาได้ยศได้ ชื่อได้เสียงไม่ใช่หลวงพ่อว่าเห็นจะเกิดประโยชน์ต่อครูบาอาจารย์และต่อชุมชนต่อท้องถิ่นของเราถ้าครูบาอาจารย์ได้ข้าเข้ามาอบรมศีลธรรมจริยธรรมรู้จักแนวทางในการดำเนินปฏิบัติศีลธรรมนั่งสมาธิยังไงเดินจงกรมยังไงในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรให้รู้จักวิธีการ และวิธีการดําเนินและวิธีการปฏิบัติในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเข้าสู่จิตใจยิ่งพวกท่านทั้งหลายพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายมานั่งภาวนาจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งนั่นแหละหลวงพ่อเห็นว่าพวกเราถอนไม่ขึ้นก็นแล้วกันเชื่อไม่ใช่เชื่อที่อื่นนะเชื่อหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในใจของเราเองใจของเราได้รับ ความสงบเยือกเย็นมีความสุขอในขณะที่จิตใจสงบได้ริมรถที่พระธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้บอกเอาไว้พวกเราถอนไม่ขึ้นอถอนไม่ขึ้นให้ เ, เชื่อมัน่นวันแห่งขนทางนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ถูกต้องแล้วเรายอมรับนี่แหละอันนี้อยากจะให้พวกเราที่หลวงพ่อพูดให้อยากจะให้พวกเรานั่งสมาธิ ถึงจะออกจากที่นี่ไปก็ตามก็พยายามนั่งสมาธิอย่าได้ขาดพวกเราจะได้รู้ว่าจะได้ดําเนินไปในทางที่ถูกต้องว่าเราควรจะทําอย่างไรเราควรจะวางตัวอย่างไรเราควรจะวางแผนอย่างไรถ้าคนมีธรรมในใจแล้วอยู่ที่ไหนผาสุกทั้งนั้นมันจะพอดีคนมีธรรมในใจมันจะพอดีมันจะไม่เกินไป ถ้าว่าคนไม่มีธรรมทำอะไรบางทีเกินไปนะโกรธก็โกรธเกินไปโลภก็โลภเกินไปหลงก็หลงเกินไปไม่คิดว่าตัวเองจะตายเลยฮะแต่ถ้าว่าคนมีธรรมในใจแล้วมันรู้จักประมาณรู้จักเพียงพอในการรู้จักการบริหารจัดการกับตนเองควรจะทำอะไรมากน้อยอย่างไงแค่ไหนในการดำรงชีพดำรงชีวิตของเราเราจะพยายามทำดีที่สุด การอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรหังแก่เบียดเบียนคนอื่นมันจะไม่มีนะแห่งคล้ายๆว่ารู้จักรู้จักประมาณตนอคนไหนพอจิตจะได้ส่งเสริมเอาส่งเสริมได้ถ้ารู้จู้มันเกินไปนะ่ะเออเกินไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกเอออันนี้ไม่ถูกต้องนะมันมีเหมือนกันนะเอถ้าว่าถ้าเรามีทำในใจแล้วมันจะรู้ได้เลยว่าอันไหนควรไม่ควรอย่างไร เพระนั้นขอฝากไว้กับผู้บริหาร ต, ตั้งแต่ท่านผ อ, อใหญ่จนถึงผอเล็กทั้งรองผ อ, อทุกๆคนที่เข้ามาอบรมในครั้งนี้หลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดอยากจะให้พวกเราเข้ามาสัมผัสเรื่องตักทําคําสอนจะให้พวกเราได้นําทําคําสอนในอบรมในครั้งนี้และจะเกิดประโยชน์นะ ต่อไปก็เออเอายังคอยว่ากันอีกแต่เข้ามาแล้วก็ประเมินผลออกมาเอ้ยหลวงพ่อเข้ามาแบบฉาบฉวยกับจริงอยู่แต่ว่าดูๆแล้วเข้ามาก็ดีแต่ต่อไปแล้วก็เหมือนเก่านั่นแหละอย่างนี้หลวงพ่อก็อือหลวงพ่อก็ต้องประเมินหลวงพ่ออีกเหมือนกันนะประเมินวัดของหลวงพ่อพราะญาติคณะสัตยาญาติโ ย, ายงเข้ามามากๆอ่มันก็จะเป็นยังไงล่ะ ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ถ้าได้ประโยชน์เครื่องก็ไม่ว่ากั น, ก, น, นก็ยอมหนั ก, านากนยอมหนักถ้าหนักก็ยอมหนักแต่ถ้าว่าไม่ได้ประโยชน์เพียงแต่ว่าเป็นเครื่องฉาบหน้าเฉยๆคล้ายๆก็ว่าเพื่อต้องการให้คนรู้คนรู้จักว่าวัดของเรารับผู้เข้ามาอบรม เราเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเองหลวงพ่อนะไม่ปรารถนาอย่างนั้นปรารถนาคุณภาพไม่ใช่ปริมาณต้องการคุณภาพเมื่อเข้ามาแล้วตกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติแล้ว เ, เป็นผู้ได้รับการอบรมแล้วออกไปเลยถึงจะมีเวลาน้อยก็รู้จักแนวทางในการประพฤติธปฏิบัติอย่างพระในวัดของหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อบอกนะหลวงพ่อว่าพวกท่านทั้งหลายนะ ที่มาอยู่วัดของผมนะวัดของหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ต้องการปริมาณนะต้องปการคุณภาพนะให้พวกท่านาอะไรทั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายไม่ตั้งใจปฏิบัติหนีออกไปหลวงพ่อไม่ต้องการคุณปริมาณต้องการคุณภาพมากขี้ควายหลายขี้ช้างมันไม่เกิดประโยชน์นมากขี้ควายมันยังเอาไปใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็ยังดีขี้ช้างขี้ควาย แต่มากขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเนี่ยอยู่ในวัดมันยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเลยเราไม่ต้องการหลวงพ่อไม่ต้องการต้องการพระที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจภาวนาอย่างน้อยถึงจะภาวนาไม่เป็นแต่ก็มีความขายันมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยไม่ล่วงเกินพระธรรมวินยัยอยู่ในกฎในระเบียบที่พ่อแม่ครูบาอาจาร ที่ท่านพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางไว้อย่างไรก็ให้ปฏิบัติตามนั้นนะถึงจะโง่เงา่าอย่างไงก็ตามข้าอยู่ในหลักพระธรรมวินัยที่หลวงตาท่านพูดว่าถึงจะโง่แสนโง่ก็อยู่ในหลักพระธรรมวินัยก็ยังเป็นพระที่โง่ที่น่ากลา่าวไหวบูชาเพราะาไรเพราะยังอยู่ใ น, นหลักพินะพนัธรรมวินัยแต่ถึงจะฉลาดยังไงฉลาดปาดเปลืองแสนจะฉลาด แต่ออกนอกลูก่นอกทางไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยก็เป็นไม่ฉลาดไม่น่ากราบไ ม, าาไม่น่าไหวไม่น่าเคารพสักการะบูชาเพราะฉลาดแวกแนวมิแต่ทำให้เสียหายทําให้หมูเสียหายวงการพระพุทธศาสนามัวหมองเสียหายถึงจะฉลาดขนาดไหนก็ไม่น่าเคารพนับถือเลื่อมใสเนี่ยหลวงตาท่านพูดอย่างนั้นนะแต่เราพวกเรามาพิจารณาหลวงพ่อมาพิจารณาดูแล้ว หลวงพ่อเห็นด้วยขะหลวงตาถึงใจฉลาดก็ให้ฉลาดอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยก็ยิ่งเป็นพระที่ฉลาดที่น่าเคารพนับถือเลื่อมใสฉลาดปาดเปืองเอาหลักพระธรรมวินยัยแล้วก็ประกาศเชิดชูบูชาหลักพระธรรมวินยัยแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินอย่างไรเรายกย่องเชิดชูบูชาตัวเองเราปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยด้วย ตามทุโรงขวัตด้วยตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์วางไว้ด้วยอันนั่นแหละเป็นผู้ฉลาดและก็อยู่ในกรอบหลักพระ ธ, ธรรมวินยัยอันนั้นหน้ากล่าวไพรเคารพสักการะปูชาแต่ถึงต่ำกว่านั้นทีนถึงจะไม่ได้อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประกาศแต่พูดไม่เป็นแต่ว่าอยู่ในหลักพระ ธ, ธรรมวินยัยเคารพในหลักพระ ธ, ธรรมวินยัยอยู่ในศีลธรรมอันนั้นก็ยังเข้าหน้าเคารพกลาพา่าวไพรเนี่ยถ้านอกจากนั้นไปแล้ว จึงจะเลี้ยวฉลาดกันฉลาดแวกแนวถึ ง, งโง่ยิ่งทำความชั่วเสียหายอีกแบบไม่ได้สนใจแลวทำไปเรื่อยอันนั้นก็นยิ่งเป็นที่น่าตำหนิอยู่ในพระศาสนาคนหนักหนักพัดวาศาสานาไปอีกเหมือนกันถ้าพระเช่นนั้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองไม่ได้ต้องการปริมาณสรุปแล้วคือต้องการคุณภาพของพระ ถ้าวัดถึงคราวที่จะย่อมอยู่องค์เดียวหลวงพ่อก็พร้อมที่จะอยู่องค์เดียวได้อีกเหมือนกันเพราะเราเกิดมาคนเดียวเราจะมาแบกโรกวัตะสงสารได้ยังไงเราเกิดคนเดียวเราตายคนเดียวแต่เราจะไม่ทำความชั่วถึงเราจะอยู่ที่ไหนเราจะไม่ทำความชั่วเราจะทำแต่คุณงามความดีเราจะทำแต่สร้างแต่บุญแต่กุศลเข้าสู่จิตใจเท่านั้นถึงโลกทั้งโลกจะไม่ทาความดีเลยเราจะ เราเองจะทำแต่ความดีเราจะสั่งโจมแต่คุณงามความดีจึงไหนที่มันดีเราจะทำสิ่งนั้นถ้าสิ่งชั่วแล้วเราจะไม่ทำเว้นเสียแต่ว่ามันไม่รู้ถลําลไปแล้วมันไม่รู้ถ้ามันทำมีรู้อยู่เราจะไม่ทำนี่แหละอันนี้ก็คือแนวความคิดของหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าวัดวาศาสนา เระนั้นขอให้คณะศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าที่เข้ามาสู่วัดของหลวงพ่อเมื่อได้รับการอบรมไปแล้วกขนาอหลวงพ่อจะให้ทำมเทศนาของหลวงพ่อไปอีกนะปรงหลวงพ่ อ, อยังคิดว่าจะให้คนแล้วกระเป๋าอีกสั่งหากนะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทิ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกเหมือนกันออพอได้กระเป๋าล้วไปโยนทิ้งไม่ได้นะ เสียต้อมเขามาให้ถาวายหลวงพ่อเนี่ยพันกระเป๋ามาส่งมาเมื่อวานเนี่ยพันกระเป๋ากระเป๋ละสี่แผ่นนะแปลว่าครบบริบูรณ์เลยที่หลวงพ่อเทศที่ไหนๆอยู่ในสี่แผ่นนี่แต่ว่าเทศช่วงหลังๆนี่ก็ยังไม่ได้ทํานะยังคนที่ทํำก็ยังเหนื่อยอยู่ยไม่ค่อยได้ทําแต่ว่าจํานวนนั่นกัเหลือเฟือแล้วละ่ะฟุม้มพอแรงแล้วละ่ะ40แผน่นแต่สิบสี่สิบแผ่นก็ไม่ใช่ธรรมดานะหลวงพ่อถามเอ้ย เสียต้อมหมดไปเท่าไหร่วะพันชุดเนี่ยสามแสนกว่าครับหลวงพ่ อ, <ม> อ, อก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันสามแสนกว่าเพราะนั้นวันพรุ่งนี้ถ้าบอกผู้ใดอยากจะได้เ p ็สของหลวงพ่อหลวงพ่อจะให้เป็นชุดเลย เ, เพื่อจะได้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเมื่อมีโอกาสกับนั่งไปในรถกับเปิดฟังไปเรื่อยศึกษาไปเรื่อยออแล้วก็หนังสือของหลวงตา หยดน้ําบนใบบัวค่ให้พระช่วยช่วยหานะและประวัติหลวงปู่มั่นนี่ที่พวกเราได้มาศึกษาในครั้งนี้ด้วยจะมีปฏิปทาด้วยก็ยังได้ถ้ามีปฏิปทาอย่างมากน ะ, นะมีหนังสือปฏิปทาด้วยประวัติของหลวงปู่มั่นด้วยประวัติหลวงตาด้วยธรรมะชุดต่อๆด้วยนะแล้วก็เอ็พสด้วยหลวงพ่อจะแจกแต่ธรรม ะ, นะนะเน้นธรรมะธรรมะที่ท่าว่าแนวความคิดเนี่ย ถ้าศึกษาดีแล้วมันหมดไม่เป็นนะเออเอามาปรับปรุปรงปรับปรุงกายวาจาใจของเราแล้วมันหมดไม่เป็นแต่ถ้าให้อย่างอื่นเข้าไปแล้วมันหมดเป็นถ้าให้ความรู้คุณธรรมในจิตในใจนะอยู่เย็นเป็นสุกนานเท่านานเพราะนั้นน่ที่พออุจิตบอกว่าให้ลุงพ่อพูดเรื่องความสมัครคีเรื่องศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม หลวงพ่อจะให้เอ็มสาักสี่ิแผ่นเลยเหมนกันวันนี้พวกเราไปฟังเอาเถอะเนี่ยถ้าฟังกันไหนเป็นที่พอใจติ๊กเอาไว้นะเอ อ, เ อ, อกันนี้เขาท่าเขาท่าหมายเอาไว้แผ่นนี้กันนี้พันแผน่แผนที่หนึ่งมีการ น, นั้นเกิดกัร น, นั้นพูดเรื่องนั้นเรื่องนั้นนี่มีประวัติไว้เขียนใส่กระดาษไว้เขียนใส่แผน่นมันไว้ก็ได้ ต่อไปเราจะจะฟังซ้ำอีกก็ได้เออเนี่ยนี่แหละถ้าว่าหลวงพ่อว่าทางมาพวกเราได้ฟังแนวความคิดของหลวงพอ่อหลวงพ่อมั่นใจเพราะหลวงพ่อเนี่ยสอนหลายเล่หลายเหลี่ยมหลายแง่หลา ย, ายมุมแต่ถ้าว่าฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ฟังฟังมาท่านก็พูดธรรมะในภาคปฏิบัติออตรงความจริงของท่านน่าเคารพก่บบาวไหวบูชา แต่หลวงพ่อเนี่ยเอาทางโลกมาผสมผสานกันแนวความคิดของหลวงพ่อบักที่ได้เรียนได้ศึกษามาบังเอาโลกในยุคปัจจุบันมาประยุกต์ใช้มาบอกกล่าวบังอย่างเนี้ก็มีหลายๆอย่างท่าพวกเราได้ได้ฟังนะกาได้ฟังแนวความคิดของหลวงพอ่อย่างหลวงพ่อไปใอ่านอ่านหนังสือได้นั่นแนหะหลวงพ่อบอกเออประเทศไทยทุกวันเนี่ยนะ มันเรื่องคอร์รัปชันนี่นะจะแก้ยังไงหลวงพ่อวานะถ้าจะแก้เป็นบุคคลจับคนนั้นมาลงโทษจับคนนี้มาลงโทษมันเยอะเหลือเกินเลยนะี่ไม่รู้จะจับใครมาลงโทษบ้างอย่างประเทศจีนเนี่ยเขายังจับมายิงเป้ามันก็จับคงจกไม่หม ด, ดเหมือนกันมันต้องแก้ทีระบบนะหลวงพ่อวานแะล้วพบอย่างไงวะคือเกษตรกรก็ลง ทะเบียนเลยเป็นกเกษตรกรพ่อค้ากระลงทะเบียนเป็นพ่อค้าข้าราชการกินเงินเดือนกระลงทะเบียนเป็นข้าราชการเมื่อเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าเป็นกเกษตรกรจากท่านก็นต่างคนก็นต่างเลือกผู้แทนของตนเองเลือกผู้แทนของตนเองเข้ามาบริหาร พวกค้าก็เลือกผอค้าข้าราชการก็เลือกข้าราชกา ร, าาการพวกเกษตรก็เลือกเกษตรพอลงทะเบียนกันแล้วแต่ว่าเราก็จะเอาให้มันเสมอกัรก็ได้เอาคนห้าสิบอย่างนี้ก็ได้ร้อยห้าสิคนหรือเอาคนร้อยก็ได้เป็นสามร้อยคนรัฐมนตรีกันแบ่งกันไปเลยกี่คนบริหารอะไรมันจะได้ปกป้องปกป้อ ง, ปกปองเกษตรก็จะปกป้องเกษตร ข้าราชการก็จะปกป้องข้าราชการพ่อค้าก็จะได้ปกป้องพ่อค้านะเดี๋ยวนี้มันใครตำมันถลํากันเลยนะข้าราชการนี่ยจกินหัวพ่อค้าอเองถ้ามึงสร้างนนถนนถ้ามึงไม่ให้เปอร์เซ็นต์กูกูไม่เซ็นให้มึงออพ่อค้าก็ไม่รู้จะทํำยังไงยอมเสียห้าสิในสามสิสี่สิเอร์เซ็นสูงขึ้นไปเรื่อยไอ้พวกพ่อค้าเนี่ยกำลังกันกินหัวพวกเกษตรกรมาเนี่ยเออ ถ้าหากว่าไม่ขายจะนี่ข้าไม่ซื้อสู้เจ้าถ้าข้าเต็มแล้วก็ข้ากระลดราคามันไว้ก่อนนี้ถ้าหากว่าต่างคนก็ต่างรู้แนวทางกันแล้วจะไงเษกษตรกรกับปกป้องกเษกษตรกรเองถ้าว่าพ่อค้าหัวดือ้อหัวล้นไม่ยอมซื้อเราไม่ขายให้กเกษตรก็คุมกเกษตรพ่อค้าก็คุมพ่อค้าข้าขราชการก็คุมข้าราชการรักษาผลประโยชน์ ด้วยกันหลวงพ่อวาดมันคงจะดีนะแต่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นนะหลงพ่อตายไปสามชาติเกิดมาแล้วก็คงจะทำไม่ได้หรอกวาเะพวกพกมีอํานาจเขาอยู่ในในสภ า, า <c oughs> เขาคงยังไม่ปล่อยง่ายๆ่ายอย่างนั้นแต่เราก็พูดไว้ยังนั้น่ะเป็นแนวทางเอาไว้เออต่อไปเออหลวงพ่ออิงเคยพูดในเอ็มพีสามไว้เว้ยเออลงทะเบียนแต่ละกลุ่มละกลุ่มเนี่ยปกป้อง แนวความคิดของตนเองแต่ละกลุ่มคงจะหมดไปในเรื่องคอร์รัปชันแต่ถ้าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้หลวงพ่อว่ามันปราไม่ลงมันหมดไม่เป็นแต่ว่าถึงยังไงก็เถนะิดแต่ทางรัฐสภาหพรือว่าผู้ที่เขาเป็นผู้แทนโอ้ยไม่ได้จะให้รัฐฎรเป็นใหญ่พวกเกษตรเป็นใหญ่ตายแล้วเราอยู่ยังไงอีกคนไนหะเขาก็ไม่ยอมเหมือนกัน เ, เขาคัดค้านหัวชนฝาอีกเหมือนกัน ทงังพ่อค้าปี๋โอ้ไม่ได้การาชการถ้าพ่อค้าปิี๋ใหญ่แล้วเราจะอยู่ยังไงอีกก็ชนกันอีกเหมือนกันผฝนในจุดนั้นแหะหลวงพ่อว่าจนมันสุกงอมเมื่อไหร่คนน่ะเขาจึงจะเห็นโทษแล้วกันจะตั้งโกรธกันขึ้นมาแต่ถ้าไม่เห็นโทษไปอย่างนี้แหละคาลาคาชังคลังคาชาคลาคาชังไปอย่างนี้นี่เขบ่นกันว่าโอ้คอรับชั้นเยอะเหลือเกินทํางานแต่ละชิ้นผู้รับเหมาออกมากันตรง จ่ายค่าอะไรต่เมีอะไรตั้งสาสิบห้าเปอร์เซพอออกมางานเนื้องานออกมาจริงจงทั้งทียางพารามันจะหนาสาักสิบเซนที่ไหนได้หนาเพียงห้าเซนเท่านันเองเพราะจำนวนนั้นมีผู้กินออกไปกินแล้วทำหนาไม่ได้ผูนนิสุก็ผู้มาตรวจกลับหูหลับตาผ่านผ่านผ่านผ่าน่ใช้ไปไม่ไม่นานเท่าไหร่ก็เสียหาย สรุปแล้วเนี่ยแหละคือความเสียหายก็ ค, คือตกอยู่ส่วนรวมอะนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อไม่อยากจะพูดเรื่องการบ้านการเมืองเพราะหลวงพ่อเป็นอยู่ในการวัดนะจะทํำยังไงพวกเราจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดถ้นะดีที่สุดตัวนั้นถ้ามาเกิดอีฐแล้วพวกเราจะต้องอิฐเจออย่างนี้แหละเออให้ไปนิพพานให้มันจบจบซะเ อ, อถ้าว่าไม่เข้าขนิพพานไปแล้วมันจะต้องมาพบมาเจอในสิ่งเหล่านี้อีกนี่แหละหลวงพ่อ อันนี้ทําพวกเรายังไม่เข้าถึงนิพพานหลวงพ่อทําอย่างนี้ดีไหมก่อนที่จะไปถึงนิพพานเอาจุดนี้ไปก่อนน่เออแต่ถ้าเป็นไปได้ให้เข้าสู่นิพพานไปเลยอย่ามาเวียนว่ายตายเกิดเดีที่สุดเนี่ยหลวงพ่อว่านะอันนี้ก็เป็นแนวความคิดสําหรับครูบา <zeit> <ujemy> อาจารย์ต่อไปภายภาคหน้ารับมั่นมันจะเป็นยังไงประเทศชาติบ้านเมืองแต่หลวงพ่อ <ste gives sti> ได้พูดเนี่ ในชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์หลวงพ่อก็พูดน้ำมคืนไปพูดที่บ้านอุดรหลวงพ่อก็พูดพูดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้พวกเราฟังเราน้อยใจไหมเราทุกข์ใจไหมเ้่าที่เท่ามีพระมาหากษัตริย์เราเสียศักดิ์ศรีไหมที่เราไม่ได้เป็นขี้ข่าไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติเพราะเราด้อยภาษาถ้าเราเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสหรืออังกฤษเนี่ย พวกเราคงจะดีมีภาษาเก่งเหมือนกับที่เขาเป็นเมืองขึ้นเหล่านั้นใช่ไหมเราพอใจเราอยากจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมพวกเราคิดว่าไม่น่าจะคิดอย่างนั้นเราภาคภูมิใจอย่างมากที่เราได้เป็นเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยแล้วกัการศึกษาของพวกเราเราไม่ได้ร้อยใครเราไม่แพ้ใครแต่เพียงแต่ว่าอย่างตรงนี้แหละข้าราชการการเมืองนี่แหละ ทำให้ทวงพอสมควรแต่พวกพ่อค้าเขา <c oughs> เขาทำมาค้าขายของเขาแต่พวกการเมืองเนี่ยมันทะเลาะกันเลือเกินพวกเราเห็นในสภาเ่ยเขาพูดกันดูดูลวโอเหมือนกับเด็กนักเรียนอยู่ในโรงเรียนอย่างนั้นมันยิ่งกว่านักเรียนจะอีกจะทำยังไงแล้วจะสอนอยังไงแลวจะทำยังไง ถ้าพวกนั้นมาหาหลวงพอ่อหลวงพ่อจะเข็นหนักๆเหมือนกันนะ<笑><笑>เอาแต่จะ น, นั่งภาวนาสักหน่อยแล้วค่อยเลิกกันเนาะก่อนที่จะนั่งภาวนาทุกครั้งนะเตรียมนั่งภาวนาเราจะนั่งอยู่ในบ้านก็ตามอยู่ในที่ไหนๆก็ตามนั่งอยู่ที่นี่ก็ตาม่ะเออหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเวลาก่อนนั่งสมาธิ เมื่อนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายแล้วประนมมือขึ้นระหว่างไห ว, ว้ครูสักก่อนรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆสมจบเลและเรียกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้มีคุณูปการสําหรับพวกเราที่เราได้นํำทำคําสอนของท่านมาประพฤติปฏิบัติเราพอใจในการนั่งสมาธิจากนั้นเราก็แผ่เมตตา ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิ ญ, ญญาณอื่นทั่วสากลโลกขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆกดวงวิญญาณด้วยเทินนะอันนี้คล้ายๆว่าเราไม่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรเราเหมือนกับเขาเขาเหมือนกับเราคล้ายๆว่าวางตัวให้เป็นเสมอกันารนี่แหละ คนที่มีเมตตาท่านว่าอยู่นสถ า, านที่ใดไปนสถ า, านที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีพิษไม่มีภยัไภยไม่มีใครมาอาฆาตจองเวรเพราะเหตุไรเพราะเรามีเมตตาต่อทุกดวงวิญญาณต้องพยายามในขณะที่นั่งสมาธินะถ้าออกจากสมาธิเอก็ไม่ว่ากันทํทไงกิเลสเรามีอยู่แต่ขณะที่เรานั่งสมาธิแล้วก็ปล่อยวางทิ้งไว้ก่อนในช่วงนั้น นี่แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายจะทำอย่างนั้นจะ น, น, น, นั่งก็นั่งพอเวลาพุโทโธพุโทโธพุโทโธสรหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทธหรือว่าจะนับอย่างที่หลวงพ่อได้บอกก็ได้หายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองแต่ถ้ามันปรุงฟุ้ ง, งออกไปกันนะเราจะรู้ได้ว่าใจของเรามันเป็นยังไงถ้ามันหลุดออกไปบ่อยมันก็ไม่เป็นผลเดียวเหมือนกันนะเราต้องพยายามให้เข้มงวดกวดขันถ้ามันหลุดไปบ่อย ทำไมคนที่ขาดสติบ่อยๆทําให้เป็นบ้าได้ไง่ายๆเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะคนขาดสติเนหะ็นสติถ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเนะี่ยมันจะเป็นบ้าได้ยังไงคนที่มีสติแนตะ่คนไม่มีสติคนขาดสติแล้วเออละเหยลอยลมไปเรื่อยอย่างนั้นอนะ่ะไม่ได้ไม่ถูกเสียกู้เสียคนเสียเรานั่นแหละนะ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการพักนั่งภาวนานะคือเป็นการฝึกสติให้มีสติอยู่กับตนเองเพราะฉะนั้นไปอยู่นสถานที่ใดยอยู่นสถานที่ใดอยู่ในบ้านในเรือนเราก็ต้องพยายามฝึกสติอยู่กับตัวเองเดินก็ให้มีสตินั่งก็ให้มีสตินี่แหละอันนั้นจะมีแต่ความผาสุกนะอนตอนนี้ไปนั่งสมาธินันะ่งเอง